ทรงประชุมสงบัญยัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสง์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุปนันท h a สากยบุตรว่าอุปนันทะทราบว่าเธอกล่าวชักชวนภิกษุว่าท่านจงมาเถิดพวกเราจะไปบิธาบาตในหมู่บ้านแล้วไม่ได้ให้ทายกถวายอะไรแก่เธอแล้วนิมนต์กลับจริงหรือท่านพระอุปนันท h a สากยบุตรทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้า